พอเราไปติดกับความคิดติดกับความดีเนี่ยมีอารมณ์ติดเอาต่อันนั้นไปอันเนี่ยไปไม่ได้รอบพระพุทธเจ้าว่าหนีไปพระวักกลิศไม่ใช่ติดตัวคนนะไม่ใช่ตัวคนอันนี้จะวางพาระวักกลิศบางขอบคิดอันนั้นถ้าเธอไปติดขอบคิดอันนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาจะพ้ น, นาจากทุกข์อันนี้ได้อาจจะพดอย่ากนี้ก็ได้นะแต่เราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าตัวเพราะว่ารพระวลิศไปติดความยินดีอันนั้นเีธอไปเห็นพระพุทธเจ้าอันนั้นมันเป็นลวงตา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 จับเงาวๆที่ท่วงที่มันไปเองถ้าจะจ้อ บ, บิดองศ์มันไม่ไปมันติดเนี่ยเอาแส่กระเจี๊ยบแตะจับงู่นียไขเล ย, ยเงี่ยเหมือนกับกุญแจกุญแจนี้ไปไขซุบเข้าไปบิดปั๊บน้อยเดียวเนี่ยออกมาทันทีความรู้ศึกนี้เป็นกุญแจลูกเอกเป็นกุญแจลูกเอกจริงๆเป็นกุญแจที่พระพระรุทธเจ้าวางไว้ให้ที่ว่าศึกษาของเก่าไม่ศึกษาของใหม่เต้มาให้เห็าที่โอ้ยมันเฮ็ดไหมดอกแต๊มันไหม่มือ น, นี้แต่มันเก่าตั้งแต่นเต้นไดเต๊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 พรให้เขารู้สึกตัวเพราะเขาไม่เคยรู้สึกตัวนี่ส่อเรื่องนี้ไปเอารับรองรู้เรื่องรูปนานเนี่ยเอาให้สามสิบวันกําหนดเอานักสามสิบวันไม่พลาดเลยถ้ า, าพลาดจะเสียต่างๆให้เลยเอาเดือนหนึ่งเท่าไรตั้งอาัตรา ม, มาเลยแต่ว่าขั้นท่ารู้แล้วจะทํำยังไงก็ต้องมาสนับสนุนเป็นวันเป็นอย่างนี้นี่อา้าววันนี้ทําจะเพียงให้ละข่มโกดเนี่ยเบาลงเอา้าให้เวลาปีหนึ่งสามรอยหกสวัน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 อตาตจมาขออ้างอิเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคา ส, สอนขององค์ธธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอันตา า, า, า ร, สราสาวกพระสัมมาสัมพุทเจมาเตือนจิตสะกิตใจว่าสุสือได้หนึ่งเนี่ยเพราะว่าให้มาเตือนมู่สุซือได้นี่เตือนจิตตะกิตใจของพวกเราให้พวกเราทํำกลมรู้สึกชูแจ้งเห็นจริงตามกลมจริงอย่างที่อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นถาถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น